ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มประพธญาณในวันนี้ก็คงจะสืบเนื่องมาจากการมสีสมิชาจารย์แต่เป็นการแสดงพัฒนาการทางจิตที่มีความสืบเนื่องกันมาโดยลาดับมาถึงจุดที่เราเรียกว่าเป็นกรรมสังวร เกี่ความสั่รวมระวังในเรื่องที่เกี่ยวกับเพศหรือในเรื่องที่เกี่ยวกับวัตถุกรรมทั้งหลายกรรมฏิบัติในลักษณะ น, นี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะมีความประณีตขึ้นคือก่อนที่จะเป็นการมาสังวรเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นไปสู่ระบบที่เราเรียกว่า อภรมอาจารย์คือการประพฤติอย่างพรมท่านอธิบายลักษณะของความคิดจิตใจของท่านที่ประพฤติปฏิบัติมาถึงคั้นนี้ในส่วนของศีลคงนึกออกว่าก็อยู่ในศีลแปดศีลหัวสดศีลสิบของสามเณรีของสามเณร แล้วก็ตลอดถึงศี่ข้อสีขอส่ข้อสิกขมานานะฮะสีลข้อที่สามของสิกขามานาถึงแม้จะเป็นหข้อแต่ว่าข้อที่สามนี่เป็นอัปปมจริยา<ม>เวลาทรงอธิบายในรูปของธรรมปฏิัติทรงอธิบายว่าละกรรมเป็นข้าศึกแก่พรหมจันทร์ประพฤติพรหมจันทร์ ประพพณีทางไกลเว้นขาดจากไม่ทุนอันเป็นกิจของชาวบ้านในที่นี้ถ้าเป็นศีลศีลแปดหรือศีลบรูสดก็ว่าที่จริงก็เป็นชาวบ้านนะครับแต่ว่าในหลักการปฏิบัติแล้วศีลบรูสดท่านเ็ยสมาธานวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแต่เรานับเวลาแล้วก็ไม่ถึงยี่สบสี่ชั่วโมงนะครับประมาณสิบแปดชั่วโมง เพราะว่าเริ่มต้นสมาทานในแต่ละวันวันธรรมสวระก็เริ่มประมาณสี่โมงชาและช่วงตัวนี้ยังรับประทานอาหารได้อยู่ก็เลยไปจนถึงรุ่งขึ้นเช้าก็ประมาณตีห้าครึ่งนะฮะก็รับประทานอาหารเช้าได้กลนก็รแสดงวสีนี้รักษาจริงๆก็สิบกว่าชั่วโมง แต่ว่าท่านในที่นี้ก็เน้นไปที่อภรรมแต่อย่าลืมว่าเพราะศีลข้อที่สามเป็นอภรรมก็นําให้ศีลข้ออื่นๆกลายเป็นอุปการะต่อศีลข้ออภรรมเร่องการปฏิบัติจริงๆก็สอนในการประพฤติปฏิบัติจะเคยสังเกตว่าในวันธรรมสวรรณแม้จะมีญาติโยมเต็มโบสก็ตาม ก็ล้นโบดนะฮะอย่างที่พระบูชดวัดบวัดบวรนิเวศวิหารนี่ก็ล้นพระบูชดออกมาข้างนอกคนอยู่ข้างนอกอาจจะมากกว่าคนอยู่ข้างในเดําแต่พอให้ศสีลมาถึงข้ออัพ ร, รัมหรือข้อที่สามนี่เสียงมันจะหายไปก็ยังนึกว่าประมาณสามในสี่แต่ข้างนอกเราก็ไม่รู้นะฮะก็ตีสวาสดสามในห้าะกัน แ, แสดงว่า ญ, ญาติโยมยังไม่ถนัดที่จะสมาทานสีนข้ออพรมแต่คงไม่ค่อยกลัวสีนข้ออพรเท่าไหร่นะฮะคงกลัวสีลข้อวิกาละโภชนาคือการรับประทานอาหารในตอนเย็นออซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงแล้วพวกสีนข้อหกหกเจ็ดแปดเนี่ยนะหกเจ็ดแปด จริงถ้าเรานับเรียงลำดับจริงๆมาเป็นเก้าข้อกรณีท่านไปยุบรวมกันแค่สองข้อคือข้อนัจคีข้อมาลาเนี่ยไปยุบรวมกันแต่เรืา่างนั้นเป็นการกระตุ้นการมาราคะเช่นการรับประทานอาหารมากรับประทานอาหารเย็นรับประทานอาหารมากเลยในช่วงแรกก็จะกระตุ้น ในช่วงแรกเนี่ยจะก่อให้เกิดการง่วงนอนก่อนนะครับทานอาหารมากก็จะเมาอาหารจะมีข้อ น, นี้โดยหลักการปฏิบัติถ้าหากว่าเป็นพระมันก็อยู่ในเกณฑ์ของศีลคือให้พิจารณาเสียก่อนจะ บ, บริโภคปัจจัยสีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป จนปฏิบัติพัฒนาควบคุมใจไปจนถึงจุดหนึ่งให้สังเกตว่าอีกสัก4ีห้าคำในจะอิ่มมาความมารับประทานของหวานนะฮะคือฉันของหวา น, นรับประทานของหวานอีกสี่ห้าคำจะอิ่มว่าหยุดรับประทานเดี๋ยวก็ดื่มน้าก็จะรู้สึกว่าพอดีพอหลุมลมล่มหลวมหรือคร่องตัวทตานมากเกินไปมันจะเริ่มชิงง่วงนอนคือเป็นนิวรข้อ ข้อที่สามคือทีนะมิทะและพอหารได้รับการย่อยออกไปมันก็กลายเป็นกรารมาราคะคือกระกตุ้นความต้องการในทางเพศเพราะในสี่งข้อที่6ก็บัญญัติบัญญัติเด็หลักการปฏิบัติสำหรับพระพุทธเจ้าเองทรงแสดงไว้ในพรมมารยสูตรในพวกจุลศีนว่า ชาวบ้านเนี่ยเขายกย่องชื่นชมต่อพระพุทธเจ้าว่าประสานโคดมฉันถนเดียวเว้นการฉันในราตรีเว้นขาดจากการฉันในเวลาวิการราตรีก็คือกลางคืนเวลาวิการในที่นี้เวลาวิการที่เกี่ยวกับอาหารนะครก็หมายถึงหลังเที่ยงแล้วแต่คาว่าหลังเที่ยงที่จริง เขามองที่ดวงอาทิตย์นะฮะไม่ได้มองที่นาฬิกาตอนนาฬิกาก็เอานิยายไม่ได้เมื่ก่อนไปเจอกับตัญญณรูปหนึ่งก็รู้สึกว่าเห็นเขาอ้วนขึ้นเขาไปทักก็บอกว่าก็ดูอ้วนขึ้นนะเขาบอกว่ากินข้าเย็นก็นอ้วนเฮ้ยก็ไปอเมริกามานะฮะอยู่อเมริกาอยู่หลายวัน ไปฉันเพลนที่อเมริกาก็เที่ยงคืนในเมืองไทยเพราะฉะเราจะเห็นว่าเราก็ดูที่เที่อเมริกาไม่จะดูนาฬิกาที่เมืองไทยแล้ดูนาฬิกาที่เมืองไทยมันฉันไม่ได้เพรา ะ, ะเรื่องการรับประทานอาหารจึงเน้นที่วิการในกรณีที่หลังเที่ยงแล้วยังในปัจจุบันเรามีปฏิทินส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะฮะมีปฏิทินหม่องขุดปฏิทินพก เขาจะบอกเวลาเที่ยงจริงของแต่ละวันไว้แล้วในส่วนต่างๆของประเทศนี่จะไม่เหมือนกันรู้สึกว่าเอาจงพระปรางวัดอรุณราชวารามเป็นเวลาเที่ยงจริงเป็นศูนย์กลางในกรุงเทพแล้วก็อาจจะบวกจะลบในต่างจังหวัดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบางครั้งบางรายยังไม่ทันเที่ยงเลยเที่ยงแล้วอเมริกายังไม่ทันเที่ยงเลยแต่ตะวันเที่ยงเสร็จแล้ว บางเดือนในนาฬิกาเลยไปจนถึงก็เที่ยงสามสิบแล้วยังไม่เที่ยงเลยจริงๆยังไม่เที่ยงตรงนี้ไม่ค่อยรูกันแพร่หลายแต่พระเองก็จะมีอุปท า, านประสมควรนะมาเองก็เหมือนกันคือมีอุปท า, านอยู่ประสมควรคือก็ไม่กล้าจัดนั่นไงคือถ้าเลยถ้าเลยเที่ยงนาฬิกาไปทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้ผิดปินัยอะไรนะ เราก็อยู่มาโดยการยึดถืออย่างนั้นว่าไม่ให้ฉันเลยเที่ยงแล้วไปที่จริงก็พูดเที่ยงประอาทิตย์ไม่ได้พูดเที่ยงนาฬิกาแต่ว่าเวลาเที่ยงจริงเป็นการเที่ยงอาทิตย์นะฮะเที่ยงดวงอาทิตย์ที่เที่ยงตรงจริงๆแล้วก็แตกต่างกันออกไปในส่วนต่างๆของโลกถึงบางครั้งบางคราวก็แตกต่างกันดัง24ชั่วโมงเรียวกว่าอยู่ตรงกันข้ามเลย ทีนี้คนั่งจะขี่เนี่ยเรจะเห็นว่าเป็นการกระทําเองนัจ่จะกีต่าวาดิตาคือการพอนรําการขับร้องการประคมดนตรีและดูการเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลการพ่นรำในทําเองนะฮะขับร้องก็ทําเองประคมดนตรีก็ทําเอง ทีนี้คนไปไปเล่นดนตรีอย่างนั้นเนี่ยคือนี่เน่ยพินัยเนี่ ย, นนยพวกเครื่องดนตรีทั้งหลายสมบพระนี่พระจับไม่ได้นะฮะแล้เดยวอาจจะไม่รู้ว่าพระจับเครื่องดนตรีไม่ได้พวกอาวุธเครื่องประหานทั้งหลายนี่ก็จับไม่ได้ตามอายะของศีลข้อปาณาติบาตเนี่ยเป็นเหตุที่เราจับอาวุธไม่ได้แต่ตามอายะของศีลข้อนี้เป็นเหตุที่เราจับเนี่ยพวกเครื่องเราเล่น ต, ต่างๆเป็นปีเป็นกลองเป็นอ ตะโพลรมนาอะไร อ, อะไรทั้งหมดเดี๋พระจับไม่ได้ก็เรียกว่าเป็นวัตถุอนามาทีนี้ถ้าถึงก็ขับร้องฟอนคือรำนะฮะเขับร้องแล้วประโคมดนตรีนี่ก็แสดงว่าเล่นเองแสดงว่าจิตมีความกำหนัดเห็นไหมว่าต้องการจะสำรวมระวังในสิ่งข้อที่สามแท่เป็นการสำรวมระวังเป็นอุปการะต่อศีลข้อที่สาม เพพวกนี้ถ้าหากว่าควบคุไมไว้ไม่อยู่มันก็ไปกระตุ้นกรรมราคะทาให้จิตมีความกำหนัดเพลิดเพลิพนแล้วก็ดูการเล่นการอันเป็นคฆาสือแกกุศลแต่นี้มีข้อแม้ลงไปเลยนะฮะว่าอันเป็นคฆาสือแกกุศลเพราะการแสดงบางอย่างเนี่ยพฤติกรรมทั้งหลายที่ปรากฏทางสื่อเนี่ยคือมันอยู่ที่เราดูอะไร มันไม่ใช่ว่าฟังวิทยุได้ไหมดูโทรทัศน์ได้ไหมว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นคืออะไรรายการโทรทัศน์ที่มีคุณค่าเยอะรายการทางวิทยุก็มีคุณค่าเยอะแต่พาดูแลเนี่ยกิเลสเป็นจางไปคลายไปบรรเทาไปสมุขลงไปมันก็ดูได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าในที่นี้เราลองสังเกตว่าเน้นในกรณีที่เป็นค่าสืกแก่กุศล คือปัญหาการทําความเข้าใจกับคําสอนในพระพุทธศาสนาจะยกตัวอย่างเช่นว่าอินทร์เสียสังวรสมบูรณ์รวง IA, อินทรีย์กิดตาหูจมูกลิน้นกายใจไม่ยินดียินร้ายในเวลารูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูตกต้องหยุดนอนนอนแข็งเนี่ยแล้วก็เนี่ยวดึกจึกนึกถึงธรรมารมณ์ทั้งหลายอันนี้ต้องเข้าใจว่าในกรณีที่ดูรูปแล้วมันเกิดกิเลสฟังเสียงแล้วเกิดกิเลสดมกลิ่นแล้วเกิดกิเลสลิ้มรสแล้วเกิดกิเลส จับต้องอะไรแล้วก็เกิดกิเลสเหนียวลึกแมันเกิดกิเลสเนี่ยก็ให้งดเว้นให้สำรวมระวังอย่าเป็นเหนียวนึกตึกนึกในลักษณะนั้นอย่าไปดูอย่าไปฟังอย่าไปดมอย่าไปลิ้นอย่าไ ป, า ป, าปจับต้องอย่าไปนเหนียวนึกตึดแต่ถ้าเมื่อดูแล้วมันเกิดธรรมะธรรมะก็เช่นบาการดูอะไรบางอย่างดูพระเจน ด, ดีดูพระพุทธรูปดูพุทธปิณมาดูสังเวยจารยฐา น, นต่างเนี่ย ความเราสังเกตใจเราสงบแล้ว เ, เกิดมองย้อนอดีตจินตนาการที่บรรเจิดเพลิ้งสงบเย็นอันนี้ไม่ไแปลอะไรก็ถือว่าเป็นทัศนารูจิรยส่วนหนึ่งคือการเดินที่ยอดเยี่ยมส่วนห่งการฟังก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราฟังธรรมะก็ฟังจากหูเหมือนแต่มันเกิดธรรมะมันเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดเหตุผลขึ้นไปในใจก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ห้ามปรางอะไร ในกรณีผู้ดมกลิ่นริบรสก็เป็นเช่นเดียวกันกลิก่นแล้วเกิดพิจารณาเห็นโทษของกลิ่นเห็นโทษของรถเห็นโทษของการจับต้องพูดง่ายๆว่าสัมผัสอารมณ์แล้วเกิดคลายกำหนัดคลายขัดเครื่องคลายรุ่มหลงคลายโมเมาก็เป็นสิ่งที่ต้องรีบเร่งกระทำมานาสิการใส่ใจสนใจให้มากก็ไว้เพราะนั้นในการ อธิบายเรื่องสีเนี่ยเราลองสังเกตว่าบางทีเนี่ยเราก็พูดอะไรเกินไปเกินไปในข้อข้อมาลากันทะจวเว้นขาดจากการทัดทรงประดับและตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประเทียงประเทืองผีวอันเป็นฐานแห่งการแต่งตัวอันนี้ก็ บางทีชาวพุทธเราก็ถือเคร่งเกินไปนะถือเคร่งเกินเหตุไปเจ่ว่าคนต้องการรักษาศีลบวสตร์ แ, แต่งตัวส้อมซ้อนุ่งดำสวมเสือ้อขาวหรือว่าแต่งชุดขาวตลอดมันก็ไม่มีความจำเป็นอะไรมากมายขนาดนั้นนะเพราะถ้าเรามองถึงปฏิปทาของพระญาบุคคลเช่นพระและเช่นนาวิสาขาเนี่ยท่านเป็นพระญาบุคคลระดับโสดาบันนะ แต่รักษาสีลแปดีน้านั้นเป็นปกติวิสัยของท่านแต่ก็เคยพบหลักฐานว่าท่านระดับเครื่องระดามหาประสาสราคาตั้งยี่สิบเจ็ดโกดไปข้าพระพุทธเจ้าตอนเข้า้ๆก็ต้องถอดออกเพราะมันหนักมากแล้วก็นั่งยืนนั่งก็ไม่สะดวกมันก็เหมาะสมับยืนนะนั่งก็ไม่สะดวก นั่นก็แสดงว่ามันก็หรูดาผู้ฟ้านะเพราะฉะนั้นตามปกติแล้วมันก็น่าจะแต่งตัวโดยปกติใหญ่บือว้าวุบ้าบมากเกินไปกับปกติธรรมดาสามัญรามันเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าแต่อยู่ในศีลแล้วก็ทำ ซ, อ ซ, อซ้อมซ้อสมโซมมันไม่ใช่ขนาดนะเพียงแต่ ว, ว่าไม่ได้มุ่งไปในทางที่จะยั่วยวน ที่จะกระตุ้นกรรมาราคะให้เกิดขึ้นแก่บุคคลที่ประสบเพืเพ็นมาแต่ง ต, ตัวเรียบๆอย่างที่ทรงแสดงวินัยของพระเนี่ยเราก็เห็นชัดนะ น, นุ่งคมให้เป็นปริมุลทนคือนุ่งห่มไม่เรียบร้อยไม่เปิดเผยอวัยญาเราจะเห็นว่าพระนี่ปกปิดอวัยวะมากที่สุดอะฮะยงนึกว่าแขกเขานุ่งคมสารี ดูแลน่าจะปกปิดอวัยวะได้มากแต่ก็ปกปิดไม่ได้มากถ้าพระนะของพระนี่พระเจ้าบัญญัติไว้ไไวินัยไว้เนกก็เรียกว่าโผลนิดเดียวที่มือนิดเดียวมือสองข้างนิดเดียวแล้วก็เท้าก็นิดเดียวไดวยจากคอขึ้นไปทวนทถาบ้านเวลานี้ก็เปิดเผยอวัยวะบางแห่งก็มากเกินไป คือมันทีเราก็ประรบไปอย่างนั้นแต่มันเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขไปแล้วมันทานกระแสะกิเลสไม่ไหวหรอกวันนี้มันเป็นทางมาของผลประโยชน์คือคนเราถ้าหากว่ามันเกิดโลภะครอบงำใจแล้วนี่อันตรายทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาได้ทั้งนั้นในกรณีนี้ก็เพิงสังเกตว่ามันเป็นต้องการลดโลภะกะรรับลดราคะ มันไม่มีความจําเป็นอะไรที่จะต้องไปประดับประดาตกแต่งขนาดนั้นทีนี้ข้อต่อไปเนี่ยอุจาร์ยสยาะมหาสยามาแปลว่าที่นอนสูงกับที่นอนใหญ่ตามปกติเวลาเขาแปลเนี่ยแปลติดเนะี่ยคือติดด้วยอุปทานแปลด้วยอุปทานที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสำลีเครื่องลายวิจิตงดงามไม่ได้เคยตามไปดูไว้ตัวบาลีเนี่ยก็ว่าย่งไง แล้วพนาการขาดความรอบครอบในเรื่องนี้ยมันมีอยู่เยอะเช่นว่ามีบางท่านไปแปลว่าภิกษุทั้งหลายจิตเดิมนี้ประพัดสอนแต่จิตนี้เศร้ามองไปพระอุปกเกเรสที่จอรมาเนี่ยมันไม่มีคํามาเดิมครับมันในเส่คํามาเดิมนี่เป็นปัญหาใหญ่เลยเป็นปัญหาภูเขาเลยเดิมคําเดียวแนั่นเองยุ่งกันใหญ่เลยมันกลายเป็นศาสนาเทวนิยมไปทันทีน ผลไปเรื่องเรื่องเหล่านี้จะต้องะระ ม, ะ, องะมัดระวังวันก่อนฟังรายการธรรมะที่ต่อจากรายการนี่นะก่อนรายการนี้รั้สึอสัมภาษณ์พระอะไรคือท่านอธิบายเรื่องกรรมแล้วบอกว่าที่เราอธิบายเนี่ยเป็นพราหมณ์แต่ท่านอธิบายมันก็เกินเหตุไปอ่นะลืมบาลีพุทธวจะนะไปเยอะเลย คือดูแล้วเหมือนกับไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกน่าจะไปอ่านหนังสือหลวงพ่อพุทธทาสมากกว่าคือหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยต้องอ่านขั้นมากนะฮะไปอ่านในยะใดในยะหนึ่งไม่ได้หรอกต้องอ่านแล้วอ่านไปเร่มเล่มอ่านในตลอดเช่นอ่านขุมทัพย์จากพระโอษฐ์อ่านพุทธวัติจากพระโอษฐ์อ่านตามรอยพระอรหันต์อะไรต่ออะไรเนี่ยจะชัดเจนก็อย่าลืมว่ากรรมเนี่ยผู้เจ้าส่งแสดงไว้ ในพระบาลีนะั่นแหละบาลีพุทธวจนะนั่นแหละดูเถอะการสะสมบารมีผ่านภพชาติต่างๆที่ทําให้คนแตกต่างกันแตกต่างกันโดยกําเนิดแล้วในคําว่าชนกกรรมอุปถรมประกรรมอุป ป, ปีติกรรมอุปปัฏฐกรรมเป็นต้นอะไรต่ออะไรเนี่ยแน่นอนพระพุทธโคาจารย์ท้าเรียกเอาท้าตั้งชื่อขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันมีอยู่ในบาลีพุทธวจนะนั่นแหละแต่ท่านมาจับหมวดหมู่เพื่อสะดวกความเข้าใจง่ายแล้วก็คิดศสตร์เทคนิคขึ้นมาเพื่อเรามองเห็นเป็นระบบเท่านั้นเองท่านไม่ได้ไปบัญญัติเอาแต่ว่าท่านบัญญัติชื่อเรียกเพื่อสะดวกต่อการสื่อสารการทำความเข้าใจในการอธิบายธารรมะเท่านั้นเราก็ต้องมองหลายเรื่องนะฮะต้องมองหลายเรื่องวกรรมในที่จริงมัน เจตนาที่เป็นกุศลก็ตามอกุศลก็ตามอภิญากริ ต, ก, ก, ต ก, ก็ตามนะฮะมันก็เป็นกรรมแล้วก็ทําลงไปพูดออกไปแม้แต่คิดออกไปมันก็เป็นกรรมแล้วมีผลเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็ขึ้นอยู่กับเหตุที่เขาได้ประกอบกระทาลงไปแล้วเหตุผลเหล่านั้นมันยาวอ่ะนะมันยาวมันเหมือนกับการปลูกพืชเราเรียนหนังสือสมัยเด็กนี่เรายัางใช้ความรู้สมัยเป็นผู้ใหญ่ได้ อันนี้ก็เป็นผลเป็นวิบากอ่ะเราใช้วิบากมันเพราะฉะนั้เราสามารถจะมองคือวาญาไปจะไปพูดแล้วก็ปฏิเสธในที่เป็นพระบาลีพุทธวจนะมันแสดงวาถัศน์โมหารก็แสดงไปได้แต่ว่าต้องนึกว่าบาลีพุทธวจนะเนี่ยการที่เราพูดโดยไม่ไม่ระมัดระวังไม่ได้มองบาลีพุทธวจนะเนี่ยเป็นการกล่าวตู่พระพุทธวจนะโดยใช่เหตุแล้วก็บาปกรรมประปราม คือสร้างเป็นวิวาทะขึ้นมาในพุทธศาสนาในแบบกรรมของเราเราต้องเคารพทื่ทูลต่อพระสัจธรรมพระเจ้าแสดงว่าอย่างไงแล้วก็เป็นอนเนกประยายอย่าลืมมาเรื่องกรรมในแสดงเป็นอนเนกกระยายไม่ใช่ว่าแสดงโดยนัยในยาดายในัยหนึ่งโดยเฉพาะมันก็ขึ้นอยู่กับคนฟังในขณะนั้นๆบางครั้งที่แสดงเป็นเรื่องเปตรตวัตถุปริมาณวัตถุเทรียาถาเทระคาถาอป า, าทานพุทธวงศจริยาบิดกก็อะไรต่างๆไงๆ ตลอดทุกชาติโดกทั้งหลายเนี่ยมันเป็นการแสดงกระบวนแห่งกรรมที่มีความต่อเนื่องหนุนเนื่องกันมาการที่ให้ผลในปัจจุบันการให้ผมในพสต่อไปการให้ผมในพสท่าต่อไปเนี่ยมันเป็นกระบวนการกระบวนการมันก็แน่แน่นอนเป็นกิเลสกรรมวิบากกันแต่ว่าเป็นกระบวนการที่หนุนเนื่องกันไปวิบากมันก็กลายเป็นเหตุเป็นตัวกระตุ้นกิเลส แลกระตุต้นกิเลสก็ทำกรรมทำกรรมรับวิบากรับวิบากก็กระตุ้นกิเลสก็ทกํากรรมทํากรรมรับวิบากมันก็หมุนกันอย่างนั้นนะแต่วิบากนั้นไม่ได้หมายถึงว่าความรู้สึกภายในใจอย่างเดียวนั่นมันเป็นสุขเวทนาหรือทุกเวทนามันเป็นเวทนานะฮะอย่าลืมว่ามันเป็นเวทนาแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยบาปกรรมมันนําไปสู่พบชาติที่อย่ากลางประณีต เป็นการตกแต่งภพชาติต่างๆพระโพธิสัตว์ทําไมจึงประกอบรูปมหาปริสลักษณะครบทั้งสามสิบสองประการกด น, นั้นทําไมรูปร่างเป็นอย่างนั้นคนนี้นทําไมจึงเป็นรูปร่างเป็นอย่างนั้นเนี่ยดิจุกพระเจ้าก็แสดงไว้มันไม่ใช่พราหม์ไม่พราหม์หรอกว่ากันตามความจริงพราหมณ์เขาก็ปฏิบัติมาในสายตรงในสายสังกยาโยคะเนี่ยเราจะเห็นว่าเอาก็จริงๆก็คล้ายกับเราเยอะนะฮะตั้งแต่อรูปฌานลงมาเนี่ยกระพ้ายกันเยอะ และคําสอนที่พระเจ้าทรงรับรองก็มีมากคําสอนที่ทรงปฏิรูปก็มีมากคําสอนที่ทรงปฏิบัติก็มีมากคําสอนที่เป็นผลตรงมาจากการสัจจรูปเป็นหลักพวกสิ่งเหล่านั้นก็เหมือนกันแหละมันเป็นผลตรงมาจากการสัจจรูปของพระองค์มันไม่ใช่ว่าถ้าไปตรงกับพราหมณ์เราถือว่าผิดก็ก็เป็นศาสนาเหมือนกันนะก็เป็นศาสนาเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขามีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การเข้าไปอยู่รวมกับพรมันหรือพระพรหมดนั้นเอง จุดมุ่งหมายมันต่างกันแต่ว่าเส้นทางเดินเนี่ยเราจะเห็นว่าเส้นทางเนวศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยเรือศีลก็สมาธิเนี่ยเข้าไปไม่เบาว่นะไปไม่เบาทีเดียวแล้วจนถึงอรูปฌานเนวสัญญานาะสัญญายตนะแต่มันไม่ใช่ทางปัสรู้เท่านั้นเองก็รงั้นเป็นเป็นเรื่องที่จะต้องมองให้รอบคอบแล้วก็อยากให้อ่านพระไตรปิฎก ก็อย่าไปเอาวาทะของอาจารย์ตัวเองมาเชิดชูมากเกินไปนะเดี๋ยวเราบวชเราอุทิศพระพุทธเจา้าพุทธังสัมมังสังคังสนนงกรจชามีเราไม่้บวชอุทิศอาจารย์เราอาจารย์พูดถูกถ้าเราจะพูดตามท่านเนี่ยเราก็พูดตามพระพุทธเจา้ามันไม่ใช่พูดตามอาจารย์ mm hmm. เขาวาทะ อ, อาจารย์มันไม่มีน้ำหนักอะไรหรอกที่จะให้คนอื่นถือตามปฏิบัติตามต้องเอาวาทะของพระอรหันต์พระพุทธเจา้าเนี่ยมาเป็นหลัก แล้วเพื่อจะให้เกิดเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นบางเรื่องบางราวในเลยก็ต้องมีการพิจารณาทบทวนก็สํารวมระวังระดับหนึ่งนะฮะเป็นการสํารวมระวังระดับหนึ่งต้องฝังทลายแต่ลมโพธิญาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามเพรยบในธรรมจ้งมีแมด่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี